ถ้าฟังแล้วไม่มีการกระทำเนลยจะไม่ค่อยจะมีประโยชน์เพราะว่าการฟังทำเลยมันเป็นการกระทําเพราะว่าพวกเราเวลานี้กำลังมาปฏิบัติธรรมในภาควิชากรรมฐานวิชากรรมฐานเป็นวิชาที่ลีขิดชีวิตของเราเอาการกระทําบุกเบิกไม่ต้องไปใช่ เหตุช่ยผลช่หยหัวคิดไม่ใช่เป็นการกระทาเมื่อมีการกระทาเกิดขึ้นมันก็มีการพบเห็นเห็นสิ่งที่เราทำเห็นสิ่งที่เราไม่ได้ทำเช่นเราสลวนสติไปกับกายเห็นสติไปอยู่กับกายกายมันก็เคลื่อนไหว เห็นในสิ่งที่เราไม่ได้กระทําำกอเห็นมันคิดเห็นมันปวดเห็นมันเมื่อยเห็นความง่วงเหงาเหลานอนสิ่งที่มันมาแทรกเกิดแทรกขึ้นมาเราก็กําหนดรู้ล้วก็กลับมากลับมาตั้งมามีการกระทําอะไรที่ไม่ใช่สติ เราเห็นหมดมันแสดงมาให้เราเห็นมันโชว์บางอย่ามก็โชว์มากๆโชว์เพื่อให้เราแก้ไขเช่นความง่วงเหงาหานอนความลังเลสงสัยความคิดผุ้งสารเหตุผลต่างๆบางทีมันโชว์กว่าสติโชว์กว่าความรู้สึกตัวเราก็กลับมา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 เกาะไว้ก่อนตั้งไว้ก่อนเหมือนกับเราปลูกข้าวปลูกพืชตั้งไว้บนดินต้นข้าวต้นกล้าที่เราตั้งไว้บนดินมันก็มีประโยชน์มันก็แสดงจ้างสรรของมันเกิเดรากเกิดเก่งก้านสาขาจเจริญเติบโตสติที่มีไปในกายเนี่ย หลายหอย่างที่มันเกิดคุณภาพไปพร้อมๆกันหลายๆอย่างโอ้โหวที่เราจะมีสติไปในกายมันผ่านอะไรมาผ่านอะไรมามากมายกว่าที่จะมามีกายเป็นหนึ่งเอตัคขะตะเอกคตามีกายเป็นหนึ่งรู้สึกกายเคลื่อนไหวไปมามันก็มี สิ่ที่ผ่านมาพ้นไปหลายอย่างถ้ามีสติไปในกายรู้สึกตัวอยู่หนึ่งวัน2วันสามวันสี่วันห้าวันเหมือนพระพุทธเจ้าตัดตะไว้ผู้ใดมีสติเปในกายอย่างตอ่อเนื่องเกิดอเนกสงสงประการความเป็นพระเกิดขึ้นตรงนี้ไม่ใช่บวช โกผมผมพ่อเหลือง อ, อุปชาคณะสวดกรรมวาจาจารย์อนุสาวนาจารยานั่นเป็นสงสมสมุติสมมุติส่งที่ตามธรรมวไนยเป็นแบบเข้ากรอบเข้าพิมพ์เพื่อปฏิบัติธรรมแต่การที่จะบรรลุธรรมจริงๆมันต้องมีสติไปในกาย อย่างพระอาหารหันต์เช่นพระมาหากัสปะไม่ทำอย่างอื่นรับโอวาทสามข้อว่าพระพุทธเจ้าตัดสอนพระมาหากัสปะซึ่งบวชเมื่อแก่รุ่นลาวคลาวเดียวกับพระพุทธเจ้าความสูงรักษณะท่าทางเท่าๆกันจนห่มผ้ากีวรได้ผืนเดียวกัน พระพุทธเจ้าสอนพระมหากัสปะเธอจงมีสติไปในกายเธอจงมีสติไปในกายเธอจงเงี่ยงหัวหวังไม่ทำที่ไม่ใครพูดสเธอจงเคารพภิกษุผู้หนุ่มผู้ปานกลางผู้เท่าอย่าเป็นผู้ยุบหัวชูตนยืดยิ่งสามข้อน่ะทำให้เกิดเป็นพรลรหันได้สติไปในกายมันไม่ใช่เรื่องเล็กน้อย อย่าไปมองว่าเท่านี่หรือหลวงพ่อเท่านี่หรืออาจารย์ไม่ใช่หลวงพ่อเคยพูดหลายครั้งหลายหนว่าถ้ามีสติไปในกายต้นโตของมันก็อยู่ตรงนี้มันก็ละความชั่วมันก็ทาความดีมันก็กิดบริสุทธิ์มันเป็นทั้งศีลมันเป็นทั้งสมาธิมันเป็นทั้งปัญญามันเป็นการทาบุญแล้วมันมีอันเดียวแล้ว ถ้าทุกคนมีสติทุกคนมีสติมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะการทะเลาะวิวาทไม่มีต่างคนต่างดูแลตัวเราอยู่ดูแลตัวเราให้คุ้มไม่ให้มันอ่สับสนวุ่นวายามีสติไปในกายมีสติไปในกายจนมันเป็นอันเดียวในกายก็เป็นแต่สติหายใจก็สติ เคลืนไว้อะไรก็สติยืนเดินนั่งนอนคือสติเป็นหนึ่งละวันนเป็นหนึ่งละวันอยู่เป็นที่เป็นทางเป็นหลักเป็นแหล่งเป็นระเบียบไม่ชีวิตเป็นระเบียบเฉพาะเรื่องเฉพาะราวไม่มีหลายเรื่องหลายราวทาอะไรก็มีสติทําอะไรก็มีสติถ้ามันเป็นแล้วนะแต่ถ้าเราไม่ฝึกเนี่ยหลายอย่างที่มันเกิดขึ้นขณะเดียวกัน จนเราอ่านหนังสืออา้าวอ่านหนังสือไม่รู้เรื่องพออะไรมันคิดต้องกลมอาอ่านใหม่ทําอะไรก็ตาม ส, สำส่อนทําอะไรก็ไม่ยากทำอะไรก็ไม่ง่ายทำอะไรก็เป็นทุกข์ทำอะไรก็เป็นสุขทำอะไรก็หลงมันไปแบบนั้นถ้าไม่มีสติแนละ้วถ้ามีสติมันจะเพาะเรื่องเฉพาะเรื่อง ทำงานอะไรก็เฉพาะทำงานขวดบ้านก็กขวดบ้านไม่มีความคิดมาแทรกแซงไม่เอาอยากเอาง่ายมาแทรกมาแซงถ้าคนไม่มีสติเนี่ยทำอะไรก็ยากแล้วทำอะไรก็ง่ายแล้วทำอะไรก็ไปหลายอยากนะมันไม่ใช่เรื่องเดียวผู้มีเอตคตาเอตคตาจิตเป็นเรื่องเดียวหนึ่งเดียวเฉพาะเรื่องอเฉพาะราวนี่เราฝึกอย่างนี้ มันก็ถนอมถนอมชีวิตไม่สิ้นเปลืองมีพลังอมันเป็นศิลป์เป็นสมาธิเป็นปัญญาพระพุทธเจ้าได้ตัดสั้รูปเป็นพระพุทธเจ้าก็เพราะองค์ได้ศึกษาเรื่องนี้เพราะเอาเหล่าพระอาหารหันต์ทั้งหลายก็ทําแบบนี้กันทั้งนั้นมีสติมีสติเธอจึงมีสติทุกเมื่อมัจจุราชจะตามไม่ทันนะถ้ามีสตินะ เราจึงสร้างอะไรขึ้นมาเมื่อสร้างขึ้นมามีสติมันก็จะเห็นอะไรที่ไม่ใช่สตินันจะเป็นที่เปรียบมันจะเป็นที่วัดมันจะเป็นได้แบบถ้อจะว่าแล้วความหลงไม่ได้แบบความรู้สึกตัวในได้แบบแบบชีวิตเรา ความโกรธไปไม่ได้แบบชีวิตไม่ได้แบบความรู้สึกตัวคงไม่โกรธเป็นชีวิตที่มันได้แบบความทุกข์ก็ไม่ใช่แบบแบบแผนของชีวิตเราความไม่ทุกข์ความไม่สติเนี่เป็นแบบนะอะไรก็ตามทํามันได้แบบมันใช้ได้นะกายของเรามันก็ได้แบบใจของเรามันได้แบบของชีวิตจิตใจเรานี่ยเราจึงมาสร้างตัวเนี่ยขึ้นมาให้มันได้แบบฉบับ แบบฉบับไลยเป็นทักธรรมเป็นทั้งเวไนยไม่ใช่ไปท่องบ่นเราวัดอยู่ให้มันได้แบบเดี๋ยวนี้เรากำลังสร้างแบบกำลังสร้างแบบฉบับแบบฉบับคือธรรมวไนธรรมเวไนวินว ค, คือวิเศษไนยะคือนำไแปบบนำไปอย่างวิเศษนำไปอย่างสุดยอด ของชีวิตคือมันได้แบ บ, บมันเราจะมาสร้างขึ้นมามันก็ไม่ฟรีเราสร้างนะมันเห็นอะไรมันผ่านอะไรความหลงกียรตคร่งกี่หนนผ่านมาเป็นความรู้ความทุกข์กี่ครั่งกี่หนนที่มันเกิดขึ้นผ่านมาเป็นความรู้เอาความหลงไว้หลังไว้เรื่อยๆเอาความสุขความทุกข์ไว้หลังไว้เรื่อยๆเอาความหลงเอาความรังเลสงสัยไว้หลัง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 หลงไปในความคิดก็ดีเปิดเพื ain, อ่อนจิตหลงไปในทางกายก็เปิดเพื่อนกายความรู้เป็นเครื่องประดับความรู้สึกตัวเป็นเครื่องประดับชีวิตเรามันต้องมีอาพรคือความรู้สึกตัวเป็นเครื่องประดับอ่เป็นเครื่องประดั บ, ออดบถ้าคนไม่มีสติเขาอยู่กับความหลงได้เฉยเมยอยู่กับความโกรธได้อยู่กับความทุกข์ได้คนที่ไม่มีสตินะ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 ทำให้บริสุทธิ์ทั้งกายและจิตใจที่สุดคือพรหมจรรย์ศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจานะ้าเน่ะคือพรหมจรรย์ <c oughs> เป็นที่สุดคือความบริสุทธิ์เราจึงมาฝึกฝึกไปฝึกไปสติตัวนี่มันประสบการณ์มันพบเห็นในชีวิตของเราในกายในใจเนี่ยเปียนมาเป็นสติเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวเปลี่ยนมาเป็นความรู้สึกตัวกำมือเดียว คำมือเดียวจริงๆพระพุทธเจ้าเคยเปรียบเทียบสอนพิกษุในครั้งหนึ่งพราะองค์พระพิกสุเดินผ่านป่าใหญ่ป่าปอดูลายาปอดูลายแล้วก็มาปลูกไปหน้ากติจารย์กับผลซื้อมาต้นละห้ายร้อยบาทเขาซื้อมาให้องค์ก็จับใบไม้ขึ้นมากำมือเดียวโชว์ให้พิกสุดู นี่พิสูจทั้งหลายใบไม้ในกำมือเรากับใบไม้ทั้งป่าอันไหนมันมากกว่ากันพิสูจถงก็ตอบว่าไม่สามารถที่จะเปรียบเทียบกันได้ใบไม้กำป่าใบไม้ในป่ากับใบไม้ในกำมือของผมใบไม้กำมือของผมนิดเดียวใบไม้ทั้งป่ามากมหาศาลพระพุทเจ้านี่แหละธรรมะที่เราเอามาสอน พกเธอเพียงกับมือเดียวส่วนความรู้ที่เรารู้มากมายเท่ากับใบไม้ในป่าใบไม้กับมือเดียวแล้วความรู้สึกตัวก็ไม่ได้พกพวาถ้าอจะเปรียบเทียบแล้วนะถ้อจะเปรียบเทียบแล้วนะก็มีไม่มากชีวิตของเรามีกายมีใจมีสติอยู่กับกายมีสติอยู่กับใจ แต่ใช่กายใช่ใจใช่วาจาเคยเคยพูดหลายครั้งหลายหนพรไตปิฎกก็คือกายคือใจของเรานะแปดมื่นสี่พันเรื่องอยู่กับกายกับใจกับวาจาของเราเป็นตำราเป็นตาราบาปก็เกิดขึ้นตรงนี้บุญก็เกิดขึ้นตรงนี้ เปรตสุรกายสัตว์นรกไดรชานตลอดถึงพระเทวดาพระอินพระพมเกิดขึ้นในกายในใจของเราเกิดขึ้นตรงไห้จะเป็นนรกก็เรื่องของกายของใจจะเป็นเปรตสุรกายก็เป็นเรื่องของใจจะเป็นพระก็เรื่องของกายของใจมันเป็นภพเป็นภูมิมันเกิดมันดับมันเกิดกี่ครั้งขีดหอน เกิดทางตาเกิดความรักความชั่เกิดทางหูเกิดอะไรต่างๆมันเกิดมันดับถ้ามีสติมันกัดคุมกำเนิดของสังขารของสมุทัยเป็นตัวคุมกำเนิดของสังขา ร, ขารทั้งหลายให้ไม่ให้เกิดให้เป็นชีวิตที่หนึ่งเดียวคือความรู้สึกตัวเมื่อมีความรู้สึกตัวเราก็ มันก็เป็นศีลเป็นธรรมมันก็เป็นประโยชน์ต่อชีวิตต่อสิ่งอื่นสรรพสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไปเราจึงมาสร้างตัวนีน้ความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวน่ะไม่ใช่แต่ความรู้สึกตัวที่สุดแห่งทุกข์จะจะพูดถึงมรรคถึงผลมรรคก็คือรู้สึกตัวดูอยู่นี่แหละเห็นมันอยู่นี่แหละดูอยู่นี่แหละ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 มันก็จะไปเห็นเห็นรูปเห็นนามเห็นอาการต่างๆที่เกิดขึ้นกับรูปกับนามมันก็มีเรื่องเดียวคีวิตของเรามันฉายให้เราอยู่ฉายให้เราดูอยู่ความหล ง, ล ง, งหความงกลี่ดขังกี่หนนความรักความชังความโกรธความทุกข์มันกลียดั้งกลียนแต่เราได้เห็นแต่ก่อนเราไม่ได้เห็นนะเมื่อไม่ได้เห็นมันก็ข้อมงำเราได้เราก็มีรสชาต แต่ถ้าเราดูจริงๆเนี่ยมันาะจะจืดได้เห็นมันความมันจืดจริงๆความทุกข์มันก็จืดจริงๆไม่มีค่าทําให้เราเป็นทุกข์ได้เหมือนเราดูหนังดูละครเรื่องเดียวเรื่องเดียวที่เขาฉายให้เราดูนาะมันก็ไม่มีค่าไม่มีรสชาติไม่มีรสชา ต, ชาติชีวิตเราก็เรื่องเดียวเท่านั้นเลยนะไม่มีหลายเรื่องแบบ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 บัญญัติเอาเป็นครั้งเป็นคราวมันก็จะลินไปในทางโลกโลกมันก็มีรสชาติเมื่อมีรสชาติเมื่อมีรสชาติมันก็ครอบความเราได้โลกมันครอบงำเรามันหมุนให้เราไปตามมันเมอมันเกิดความโกรธก็แสดงไปกับความโกรธเมื่อมันเกิดความรักก็แสดงไปกับความรักเมื่อมันเกิดความชังก็แสดงไปกับความชักง เมื่อมันเกิดความทุกข์ก็แสดงไปบทของความทุกข์ไม่ไหวเลยเขวี้ยงหลอหยุดกันเสถะมาลู่สึกตัวมาดูพระพุทธเจ้าชวนให้เรามาดูสู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้สู่ทั้งหลายจงมาดูโลกนี้นอันวิกิตรการดุดราดชะลดที่คนของหมกอยู่คนเข่าคือคนโง่หมกอยู่โจมอยู่ผู้มีปัญญาหาข้องอยู่ไหม ไม่คงอยู่เพราไม่ีปัญญาหมกอยู่กับความหลงหมกอยู่กับความโกรธหมกอยู่กับความทุกข์หมกอยู่กับความรักความชังชาัพจากมันเป็นผู้เป็นชาติมันครอบงำชีวิตจิตใจของเราอย่างนี้นะทำไมเราจึงไม่ต้องปฏิบัติถ้ามองดูแล้วโอ้มันก็เสียเวลานะเสียเวลาไปกับความหลงเสียเวลาไปกับความทุกข์เสียเวลาไปกับความสุข มันก็สิ้นเปืองเหมือนกันนะมันสิ้นเปือกสิ้นเปืองพลังของชีวิตเช่นความคิดจากที่ก็สิ้นเปืองนะคิดมากๆในี่สิ้นเปืองนะน่าเีดเลยละ่ะถ้าคนบางคนที่คิดมากๆเลยไหลอยู่เลยนะไหลอยู่เรลยนะเรื่องเก่าไหลไปเรื่องใหม่ไหลมามันน้ำขีน้ำามูนที่มันไหลอยู่ อันใหม่ไหลมาอันเก่าไหลไว้มันไหลสิ้นเปืองสิ้นเปืองแต่คินมากๆสิ้นเปืองพลังงานสติเท่านั้นที่หยุดหยุดแล้ววะหยุดแล้วหยุดปรุงแล้วการปรุงเนี่ยมันสิ้นเปืองการไม่ปรุงน่ยมันมีพลังงานอ่ามันเป็นวิสังขารวิสังขารคือหยุดแล้วหยุดปรุงแล้วเป็นสติลุ่นลุ่นเป็นชีวิตลุ่นลุ่น เอามาใช้ให้สําเร็จประโยชน์เอามาใช้สําเร็จประโยชน์มันไม่ใช่เฉพาะเราอย่างเดียวแล้วนะนะนะมันก็เป็นประโยชน์ต่อคนอื่นแม่การตัดสลูกของพระพุทธเจ้านะมันเป็นประโยชน์ต่อทุกสรรพสิ่งในพระสูตรนันเก้งกวงแผน่นดินไว้อะไรต่างๆเพราะคนดีเกิดขึ้นมีผลกระทบต่อพวกเราทุกวันนี้อย่างน้อยก็ กตัดสัตว์ลูกของพระเจ้าก็เป็นทุนลีด้วยด้อยมาติดกับจิตใจของเราติดกับกายของเราทําให้เราอยู่โลดนะแม้จะไม่ปฏิบัติไม่มีอะไรก็ตามมันยังมีคุณธรรมยังช่วยเราอยู่ถ้าเราโกรธห้าวันสิบวันเราตายไปแล้วความไม่โกรธก็ยังเหลืออยู่เออะไม่เป็นไรบางทีก็พูดในใจเออช่าง ม, ามันเถอะออแล้วก็แล้วไป อ, อ่ารัก กรกันแล้วคืนดีกันก็ได้ทำก็ยังรักษาคนเราอยู่แต่ว่าเราไม่ให้โอกาสเท่าที่ควรเท่าที่ควรทำก็ยังรักษาผู้ประพฤติธรรมอยู่นะบัดนี้เรามามีโดยตรงมีหน้าที่โดยตรงให้โอกาสแก่ธรรมให้ความเป็นธรรมต่อธรรมถ้าเราไม่เจริญเสติกายก็เบียดเบียนใจใจก็เบียดเบียนกายนะ บางทีความทุกข์ที่ใจเอ้ากายก็ลําบากกายเป็นทุกข์ที่กายใจก็ลําบากไม่รู้คนที่ไม่ศึกษาจะไม่รู้เลยคนไปนกันไปกายเบียดเบียนใจใจเบียดเบียนกายอืทุกข์ใจมากๆเกิดเป็นโรคกระเพาะอาหารโรคแทรกซ้อนร่างกายอ่อนแอสารพัดอากานะถ้าใจมันสูญเสีย ความสุมดุลของกิจแล้วกระทบกระเทือนไปทางกายกระทบกระเทือนไปทางกายไม่เพอก็ยังกระทบกระเทือนไปทางสิ่งเวดล้อมใกล้ตัวเราถ้านะเรามารู้มาเห็นแล้วนะโอ้เป็นธรร ม, มเป็นธรรมเกิดขึ้นในกายในใจถ้าไม่มีความเป็นธรรมเกิดขึ้นในกายในใจเราแล้วอยาหาความเป็นธรรมจากเสียงอื่นวัตถุอื่นคนอื่นน่ะได้ยากอย่าไปพึ่งเลย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 อกูศน่นคือความโง่หลงงมงายความชั่วเหลวไหลเลยจังยังแกมาให้มันครองชีวิตเราอยู่หรือบางทีสุขสนสุขสนปรุงแต่งให้เกิดความรักความชังสุขสนปรุงแต่งให้เกิดความโลภความโกรธความรุนสุขสนปรุงแต่งให้เกิดความอิจฉาพยาบาทมีใจมีกิจไปใช่แบบนั้นเลย มันจะมีค่าอะไรเรามีกายมีใจมีกิจต้องใช้ให้เกิดประโยชน์ใช่ให้เกิดความเมตตากรุณาใช่ให้เกิดความสงสารใช่ให้เกิดเป็นศีลเป็นสมาธิเป็นปัญญาเราใช้กายใช้ใจผิดๆนั่นก็เป็นโทษต่อชีวิตคิดใจเราทำลายตัวเราแล้วก็ทำลายคนอื่นไปด้วย มีปัญหาเต็มบ้านเต็มเมืองเพราะเราใช่กายใช่ใจไม่เป็นโลดนวุ่นวายซับสนหน้าบุญหน้าเบิ่เตึงเครียดพูดออกไปก็พุทสวาสาทอด่ากันจิตใจก็อกผมไปด้วยความอิจฉาพยาบาทเป็นไฟที่เผาลนชีวิตจิตใจของเรามันจะไม่ค่าอะไรชีวิตเราเนี่ยมาตื่นแต่ดึกศึกแต่นมอย่างนี้ มาปฏิบัติทรมาเอาให้มันหมดพิษหมดสงฆ์มีแต่สติมีแต่สัมปชัญญะเนี่ยของ พ, พ่อก็ภูมิใจคณะเรียกว่าสถาบันของหมอแพทย์พยาบาลเป็นสถาบันใกล้เคียงกับสมณนะใกล้เคียงกับความเป็นพระเพงานของเราค็งานช่วยคนช่วยชีวิตช่วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย เราก็ต้องแสดงให้เขาเห็นคนหนึ่งเอาทำความดีอยู่ตรง น, น้นตรงนี้นมาฝึกมาหัดมาปฏิบัติรรมาเจริญสติมีสติเราเป็นเป็นบัเกอร์นะเป็นบ้านเป็นเรือนของเราเข้าเข้าหาศีลหาธรรมทำย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวนะ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 วางทีมันทุกข์เราเปลี่ยนความทุกข์เป็นความรู้สึกตัวมีไหมเวลามันหลงมีไหมอ่ะเปลี่ยนไหมเปลี่ยนความหลงเป็นความรู้ไหมเปลี่ยนได้ไหมเฮ้ ย, ยมันตน้องได้แค่นี้เองมันหลงทีไรก็รู้ขึ้นมามันดีแล้วมันดีตรงนั้นแหละมนันเก่งนะอ่ามันจะเก่งตรงที่เราเปลี่ยนความ ร, ร้ายเป็นความดีนะมันจะเก่งที่เราเปลี่ยนความผิดเป็นความถูก มันจะเก่งตอนที่เราเปลี่ยนความทุกข์เป็นความไม่ทุกข์นะมันจะเก่งในตอนที่เราเปลี่ยนความโกรธเป็นความไม่โกรธนั่นแหละคือปฏิบัตินะต่อเ น, นี่ไปเราจะต้องเปลี่ยนนะอยู่ตรงไหนก็เปลี่ยนมันเกิดตรงไหนก็เปลี่ยนไล่เป็นดีได้แหละเรียกว่านักปฏิบัติเรียกว่านักภาวนานะไม่ใช่มานั่งอยู่กับหลวงพ่อเรามาอยู่แค่เจดวันก็พอแล้วเนาะได้ยินไหมฮะ เปลี่ยนเป็นไหมอ่าเปลี่ยนได้เปลี่ยนได้ปฏิบัติเปลี่ยนร่ายเป็ น, เปนดีเปลี่ยนผิดเ ป, เป็นถูกเปลี่ยนทุกเป็นไม่ทุกเนี่ยมันไม่หนักไม่หนาอะไรหัดเปลี่ยนบ่อยๆหัดเปลี่ยนบ่อยๆแต่ว่าพลังแห่งการเปลี่ยนมันต้องรู้สึกตัวนะนี่นี่เรียกว่าสร้างสร้างพลังแห่งความรู้สึกตัวถ้ามีความรู้สึกตัวมากเป็นมหาลู่มหาลู่เนี่ยมันเหมือนกับ น, น้าหายใหญ่ น้มหาใหญ่มันไหลหลากพัดพาขยะพัดพาสาหลายพัดพาเสียงกระซกเรียงไปเลยมหาลู่มหาสติปัฏฐานนะไม่มีอะไรเหลือความชั่วทั้งหลายไม่มีเหลือถ้าเป็นมหาลู่แล้วนะแล้วเราก็สร้างได้สิบสี่ลู่สิบสี่จังหวะชั่วโมงหนึ่งเท่าลู่ทุกจังหวะลู่ทุกจังหวะประมาณสามพันลู่แล้วนะ่ะอ๋ไม่ใช่น้อยนะเรียกว่าปฏิบัติได้ ปฏิบัติได้ให้ผลได้ไม่จำกัดการผู้ปฏิบัติย่อมรู้ยิ่งเห็นจริงในธรรมที่ควรรู้ควรเห็นตามสมควรใจผู้ปฏิบัติไม่ต้องเอาลัทธิในกายไม่ต้องเอาเพศเอาไว้ไม่ต้องเอาอะไรมาขวางกันเอากายมาสัมผัสกับความรู้ทุกคนไม่กายทุกคนไม่กาย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 ุกมือไปก่อนพงกนี่ยังจะรู้ชาติหน้ายังจะรล้ไม่ใช่แล้วเดี๋ยวนี้เป็นปัจจุบันโล่โล่น่ะนี่ว่าปฏิบัติได้ให้ผลได้เนาะก็พูดให้ฟังนะวันนี้ก็